จเจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจคุสม ท, ทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่29พุทศพฤษภาคมพุทธศักราช5 5 3เป็นวันหลังวันวิสาขาบูชาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อพุทธศาสนิกชน โดยเฉพาะวันที่พระองค์ทรงตัดสรูปพระอริยสัจสีวันวิสาขะนี้เป็นวันที่เรารำลึกถึงวันตรุิวันตัดสรูปและวันเสดจดับคันท่ารินิพพานในวันทั้งสามวันนี้วันที่สำคัญที่สุดสำหรับพุทธศาสนิกชนก็คือวันที่ทรงตัดสรู้ พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเพราะถ้าพระองค์ไม่ได้ทรงตัดสรู้ก็จะไม่มีพระพุทธศาสนามาจนถึงทุกวันนี้ได้ต้องมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรู้แล้วประกาศพระธรรมคำสอนถึงจะมีพระพุทธศาสนาแล้วถ้ามีผู้มีจิตศรัทธาน้อมนาเอาไปปฏิบัติ จนบรรลุมรรคผลนิพพานก็จะมีผู้ที่จะมารับการเผยแผ่พระธรรมคำสอนต่อเป็นช่วงๆพระพุทธศาสนาของเราที่จเจริญนุ่งเรื่องมาถึงในปัจจุบันนี้ก็เพราะมีผู้มีจิตศรัทธาน้อมนำเอาคำสอนไปปฏิบัติ จนบรรลุมรคผลนิพพานแล้วก็นาเอามาถผยแผ่ให้แก่ผู้อื่นต่อไปดังนั้นวันที่สำคัญที่สุดก็คือวันจัดสรุวันที่ทรงประสูนยก็เป็นวันสำคัญเช่นเดียวกันเพราะพระองค์ต้องประสูนเป็นมนุษย์ก่อนเมื่อเป็นมนุษย์แล้วก็จะสามารถบำเพ็ญได้แต่ก็มีการพยากรณ พองไว้สองลักษณะด้วยกันว่าหนึ่งจะได้เป็นพระมหาจัการสองจะได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่มีโหรอยู่คนหนึ่งที่ฟันธงลงไปเพียงอย่างเดียวว่าจะต้องเป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นบุญของพวกเราที่พระพุทธเจ้าได้ส่งเลือกทาง ทางของศาสนาทางของจิตใจแทนที่จะไปทางโลกถ้าพระ อ, องค์เลือกไปทางโลกก็จะทรงเป็นพระมหาจักรพรรดิแต่พระมหาจักรพรรดนี้ไม่ได้มีประโยชน์แก่สัตว์โลกมากเท่ากับพระพุทธเจา้าถ้าเป็นมหาจักรพรรดิก็จะเป็นประโยชน์แก่พวกพ้องบอริสัตธ์บริวาร ในที่อยู่ภายใต้การปกคอรองของท่านเท่านั้นแต่พระพุทธเจ้านี้มีคุณประโยชน์แก่สรรโลกทุกระดับไม่ว่าหญิงหรือชายไม่ว่ามนุษย์เนื้อเดรัจฉานได้รับประโยชน์จากพระเมตตาและพระปัญญาของพระพิทธเจ้าอย่างพวกเรา ถึงแมไ้ไม่ได้พบกับพระพุทธเจ้าเราก็ยังได้รับประโยชน์เพราะคําสอนของพระองค์นั้นเป็นอาการที่โกคือไม่เสื่อมไปตามการตามเวลามีประสิทธภาพมีประสิทธิผลเหมือนกับในสมัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเป็นผู้จัดทำคําสอนนี้พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่า พระธรรมวินัยที่ทรงตัดไว้ชอบนี้แลจะเป็นศาสดาแทนพระองค์ต่อไปพวกเราจะไม่อยู่ปราศ จ, จากศาสดาหลังจากที่พระองค์ได้เสด็จดับขันธ์ท้าวรานิพพานไปเรายังไม่อยู่ปราศ จ, จากครูบาอาจารย์เรามีทั้งพระธรรมคำสอนมีทั้งพระอริยสงสากผู้ที่สามารถนำเอา ความรู้ที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสู้ที่จะสามารถปลดเปลื่องจิตใจของพวกเราให้หลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายได้ความรู้ที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสั้นนี้เป็นความรู้ที่ไม่มีใครสามารถรู้ได้ด้วยตนเองมีเพียงพระโพธิสัตว์ที่ได้ทรงบำเพ็ญบุญบา ร, รมี มาอย่างโชคโชนจนครบถ้วนบริบูรณ์เช่นพระเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะที่เป็นพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญบารมีต่างๆเช่นทานบารมีศีลบารมีเนคข ม, มะบารมีขันติบารมีวิริยาบารมี อธิษฐานบารมีอุเบกขาบารมีเมตตาบารมีและปัญญาบารมีและวิริยะบารมีนี่คือบารมีที่จะทำให้พระโพธิสัตว์ได้ตับสร้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นสารณะของสัตว์โลกต่อไปพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญมาแบบ นับชาติไม่ท่วนใช้เวลานับเวลาอันยาวนานเป็นกับเป็นกันกว่าจะได้ตักสรุ้พระอริยสัจสีรรมที่เป็นความจริงที่มีอยู่ในใจของสัตว์โลกเพียงแต่สัตว์โลกนี้มองไม่เห็นกันเพราะถูกอำนาจของความหลง ปิดบังเอาไว้ไม่ให้สัตว์โลกย้อนมองเข้ามาดูในใจของตนหลอกให้สัตว์โลกมองออกไปข้างนอกให้ไปหาความสุขข้างนอกซึ่งไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงแต่เป็นความสุขที่มีความทุกข์อันใหญ่หลวงตามมาเนี่ยมีเพียงพระโพธิสัตว์เท่านั้นที่มีปัญญา แก่กล้าพอที่จะมองทั้งภายนอกและมองทั้งภายในมองภายนอกคือมองสิ่งต่างๆเช่นลาบยศสรรเสริญสุขทางตาหูจมูกมินกายและมองภายในคือความสุขและความทุกข์ที่เกิดและดยับอยู่ภายในใจอยู่ตลอดเวลาทรงใช้ปัญญาพิจารณา จึงทรงเห็นว่าภายนอกนั้นมีความทุกข์มากกว่ามีความสุขถ้าเป็นความสุขก็เป็นความสุขที่ที่ที่ไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่จางระเหยไปเหมือนกับควันไฟได้มาไม่นานก็หายไปต้องคอยหามาเพิ่มมาเติมอยู่เรื่อย อย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงจะต้องจีรังทาวรจะต้องอยู่ไปตลอดซึ่งพระองค์ก็ทรงค้นพบว่าอยู่ในพระทัยของพระองค์นั่นเองอยู่ในใจที่ดับความทุกข์ต่างๆได้และทรงเห็นวิธีของการดับทุกข์และทรงเห็นเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ ในพระไตยของพระองค์ทุกของพระองค์นั้นเกิดจากตัณหาคือความอยากมีอยู่สามประการความอยากในการเช่นอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะความอยากมีอยากเป็นอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตอยากจะเป็นเจ้าเป็นนายอยากจะเป็น บุคคลที่มีชื่อเสียงอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าเป็นความอยากมีอยากเป็นและความอยากไม่มีอยากไม่เป็นคืออยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่ยากจนนี่คือต้นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ภายในใจที่สัตว์โลกอย่างพวกเราทั้งหลายไม่มีโอกาสที่จะรู้กัน ถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะเราจะถูกความหลงหลอกให้เราเห็นผิดเป็นชอบเห็นโกงจักเป็นดอกบัวเห็นความอยากในการความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นนี้เป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องส่งเสริม จะต้องทำตามอย่างที่พวกเราทำตามกันอยู่ทุกวันนี้เราก็กำลังทำตามความอยากทั้งสามประการนี้ถ้าลองพิจารณาดูเวลาเราอยากจะไปเที่ยวข้างนอกนี้ก็เป็นกามาัฐหาแล้วอยากไปดูอยากจะไปฟังอยากจะไปดื่มอยากจะไปรับประทานนี่เรียกว่ากามารฐานาถ้าเราอยาก เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เช่นเป็นโสดก็อยากจะเป็นเป็นสามีอยากเป็นภรรยาอยากเป็นพ่ออยากเป็นแม่ถ้าไม่มีตำแหน่งก็อยากจะมีตำแหน่งอยากจะเป็นผู้ใหญ่อยากจะเป็นผู้มียศถาบรรดาศัก์นี่ก็เป็นกามตัณหาส่วนความอยากไม่เป็นพวกเราก็มีกันอยู่ ไม่มีใครอยากแก่ไม่มีใครอยากเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีใครอยากตายไม่มีใครอยากจะมีความยากจน ม, มันมีอยู่ในใจของพวกเราทุกคนมันจึงสร้างความทุกข์ความกังวลความวุ่นวายใจตั้งแต่วันเกิดมาจนถึงปัจจุบันนี้ตราบใดที่เรายังไม่ได้ชำระ ความอยากทั้งสามประการนี้ให้หมดไปจากใจของเราใจของเราก็ยังจะทุกข์อยู่ต่อให้เราได้ทําตามความอยากทั้งสามประการนี้มากน้อยเพียงไรก็ตามความอยากเหล่านี้ก็จะไม่หายไปแต่กลับจะมีความรุนแรงมีกำลังมากขึ้นไปสมัยเด็กๆ เ, เราก็มีความอยาก แต่เราก็อยากแบบเด็กๆมีของเล่นอะไรเล็กๆน้อยๆเราก็มีความสุขได้ดับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจเราได้แต่พอเราโตขึ้นความอยากของเราก็มีกำลังมากขึ้นก็อยากจะได้สิ่งอื่นๆมากขึ้นไปจนจนที่เมื่อเราเปรียบเทียบกับสมัยที่เราเป็นเด็กแล้ว เราจะเห็นว่าความอยากของเรานี้มีเพิ่มขึ้นหลายเท่าด้วยกันทำไมเราอยู่แบบสมัยที่เราเป็นเด็กๆไม่ได้ทำไมเราอยากแบบสมัยที่เราเป็นเด็กๆไม่ได้มีของเล่นนิดหน่อยมีขนมรับประทานนิดหน่อยก็มีความสุขได้นั่นเป็นเพราะว่าความอยากนี้มันจเจริญเติบโต ตามกาลังของของพวกเราถ้าที่สามารถตอบสนองความอยากได้ถ้าเขาต้องการร้อยหนึ่งเราหามาได้เขาก็อยากจะให้ได้เป็นพันถ้าเราหามาได้พันเขาก็อยากจะให้เราหามาเป็นหนึ่งความอยากเขาจะไม่มีลดจำนวนลงไปไม่ใช่ได้มาร้อยแล้วอยากจะลดเหนือสิบอย่างนี้ไม่มี มีแต่จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆวิธีเดียวที่จะทำให้ความอยากลดลงไปได้ก็คือต้องฝูนความอยากอยากได้ร้อยก็เอาศูน์เช่นวันนี้ญาติโยมเอาเงินมาร้อยบาทมาซื้อของแล้วมาถวายพระมาตัดความอยากแทนที่อยากจะได้ร้อยบาทก็เลยเอาร้อยบาทนี้มาทำบุญ ก็เลยกลายเป็นอยากได้ศูนย์ขึ้นมาทําให้ใจของเราลดความอยากลงไปทุกนี้เราจะได้ไม่คิดอยากได้เป็นผันอย่างมากก็อยากจะได้เป็นน้อยเพราะว่าเพราะว่ารู้ว่าไม่มีความจําเป็นที่จะต้องมีมากมีมากก็ไม่ได้ทําให้มีความสุขภายในใจความสุขภายในใจเกิดจากการชนะความอยากต่งางๆ เวลาที่เราชนะความอยากได้แล้วใจเราสบายลองสังเกตดูบางวบบางครั้งเราอยากจะได้อะไรแต่พอเราเห็นว่าโอกาสที่จะได้มันไม่มีเราก็ปงเปลี่ยนใจเอาไม่เอาก็ได้พอไม่เอาก็ได้ใจก็สงบใจก็สบายไม่วุ่นวายกระสับกระส่ายแต่คนที่เขาคิดว่าเขายังจะได้อยู่เขาก็ยังจะไม่เลิกความอยากนั้น เขาก็ยังจะกระสับกระส่ายกระวนกวายคอยดูว่าจะได้หรือเปล่านี่คือปัญหาของพวกเราไม่ได้อยู่ที่ภายนอกไม่ได้อยู่ที่ว่าเรามีมากหรือมีน้อยไม่อยู่ที่ว่าเรารวยหรือเราจนความสุขความทุกข์ของเราอยู่ที่ความอยากหรือความไม่อยากต่างหากถึงแม้เราจะไม่มีอะไรเลย ถึงแม้เราจะตายไปในวันนี้แต่ถ้าเราไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่เลยในใจของเราเราจะมีความสุขมากกว่าคนที่มีชีวิตอยู่หรือมีทรัพย์สมบัติเงินทองกองเท่าภูเขาถ้าเขายังมีความอยากอยู่เขาก็ยังต้องมีความทุกข์อยู่แต่วันนี้สมมติเราตรงเรายอมตายเรายอมตัดความอยากทั้งหมด ไม่มีความอยากเหลืออยู่เลยเราจะมีแต่ความสุขเนี่ยเช่นพระบิดาของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าทรงทรงไปโปรดในตอนใกล้เวลาที่จะเสด็จสวรรคตทรงโปรดสอนเรื่องอริยสัจสีนี่แหละสอนให้ตัดความอยากทั้งสามจนในที่สุด พระราชบิดาก็สามารถตัดความอยากเหล่า น, นั้นได้ก็เลยได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เจดวันก่อนที่จะเสด็จสวรรคตเพราะทรงเห็นแล้วว่าถึงแม้จะอยากจะอยู่ก็อยู่ไม่ได้เพราะรู้ว่าอย่างลอยก็จะต้องตายแน่ๆอยากจะไปเที่ยวก็รู้ว่าไปไม่ได้อยากจะเป็นใหญ่เป็นโตก็รู้ว่าเป็นไปไม่ได้ เมื่อรู้ว่าไม่มีโอกาสแล้วก็เลยปลงได้ตัดใจได้ยอมพอยอมเท่านั้นความอยากที่สร้างความทุกข์ก็หายไปความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็หายไปใจก็สงบมีความสุขท่ามกลางความตายที่กำลังจะตามมานี่คือนี่คือความวิเศษ ของการได้ปฏิบัติพระอริยสัจสีนี้คือการรู้พระอริยสัจสีนี้ยังไม่เพียงพอจะต้องปฏิบัติกิจในในพระอริยสัจสีที่มีอยู่สี่ประการด้วยกันคือทุกนี้ต้องกําหนดรู้ต้องเข้าใจว่าเป็นความจริงที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่เราต้องยอมรับเช่นเราต้องยอมรับว่าเราต้องแก่เราต้องเจ็บเราต้องตายเราต้องพัพากจากทุกสิ่งทุกอย่างไปถ้าเรายอมรับได้เราก็จะปลงได้คือเราก็จะละสมุทยัยสมุทยนี้ต้องละละวิธีละก็คือต้องยอมรับความจริงว่าเราเอาอะไรไปไม่ได้เราเป็นใหญ่เป็นโตไปตลอดไม่ได้ เราไปเที่ยวตลอดไม่ได้เราหนีความตายไม่ได้พอเรายอมรับความจริงอันนี้เราก็จะตัดความอยากได้เพราะรู้ว่าอยากไปก็จะไล่ไปโยู่อยากไปก็ไม่ได้อะไรอยากไปก็ต้องตายอยู่ดีสู้อยากไปอยากดีกว่ายอมตายดีกว่าอยาไปอยากอยู่เวลาถึงเวลาจะต้องตายเพราะมันจะทุกข์ทรมานใจ พอถึงเวลาจะต้องตายยอมตายแล้วจะสบายใจแต่ในเวลาอยู่ก็อยากไปอยากตายเพราะเวลาอยู่แล้วอยากตายก็ทุกข์ทรมานเหมือนกันคนที่ข่าตัวตายนี้ไม่ได้บรรลุไม่ได้ปฏิบัติกิจของพระอริยศัจสีแต่ตายเพราะความความอยากตายความอยากตายนี้ก็เป็นต้นเหตุของความทุกข์เหมือนกัน สาเหตุที่อยากจะตายก็เพราะว่าทนอยู่กับความทุกข์ไม่ได้ความทุกข์ที่เกิดจากความผิดหวังความทุกข์ความทุกข์ ท, กที่เกิดจากความเสียใจไม่ได้สิ่งที่ตนอยากได้หรือสูญเสียในสิ่งที่ตนอยากได้ไปก็เลยทำให้เกิดความทุกข์จนไม่สามารถทนอยู่ได้การฆ่าตัวตายนี้ก็ไม่ได้เป็นการบรรลุมรรคผลนิพพานแต่อย่างใด แต่เป็นการเป็นการทำบาปทำกรรมโดยใช่เห ต, ตุถ้ามีสติสัหน่อยยอมรับความจริงว่าเสียอะไรไปก็เสียไปไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ปลงได้ยอมรับได้ก็จะตัดความอยากต่างๆเหล่านี้ไปได้ก็จะอยู่ได้อย่างมีความสุขจะมองโลกในแง่ดีเวลาเราเสียอะไรนี้ ไม่ใช่ว่าเราจะเสียอย่างเดียวเราได้ด้วยแต่เราไม่รู้เองเช่นเราเสียคู่รักของเราไปสิ่งที่เราได้มาคืออะไรเราได้อิสรภาพเราได้เป็นตัวของเราเองเราได้โอกาสที่จะหาคู่รักคนใหม่นี่คือสิ่งที่เราได้แต่เราโง่เราไม่มองกันเราไปอยากได้คู่รักของเราคืนมา ทั้งๆ ท, ที่มันไม่มีโอกาสที่จะกลับมาอีกแล้วเพราะเราไม่ใช้สติไม่ใช้ปัญญานั่นเองถ้าเราใช้สติปัญญาสักหน่อยเรากลับจะมีความสุข ด, ดีจะได้ของใหม่ได้คู่รักได้คนใหม่เหมือนกับเสียรถยนต์ไปคันหนึ่งก็ดีจะได้ซื้อรถใหม่ขโมยขึ้นบ้านขโมยโทรทัศน์ทขโมยของต่างๆไปจากบ้านเรา ก็มองในแง่ดีได้ว่าเราจะได้ของใหม่มาใช้เพราะอย่างไรเราก็ต้องหาของใหม่มาใช้เพราะเรายังมีความจำเป็นต้องใช้มันอยู่นี่คือปัญญาถ้าเรายอมรับความจริงความจริงที่ต้องเกิดขึ้นในโลกกับทุกคนก็คือเราต้องสูญเสียเราต้องพลาดพลาดจากสิ่งต่างๆไปแต่เราไม่ต้องทุกกับการสูญเสียถ้าเราฉลาด ถ้าเรามองโลกในแง่ดีเราก็จะมีความสุขเพราะเรายอมรับความจริงนี้ได้ดังนั้นทุกเราต้องกําหนดรู้ต้องยอมรับความจริงสมุทยัยคือความอยากเราก็ต้องละการดับทุกข์คือการสบายใจเราก็ต้องทำให้มันแจ้งขึ้นมาให้ปรากฏขึ้นมาทำด้วยอะไรก็ทำด้วยปัญญานี่แหละคือมองโลกในแง่ดีมองว่า ไม่มีอะไรที่เราเสียไม่เราไม่ได้เสียอย่างเดียวเราเสียอะไรไปเราก็มีสิ่งที่เราได้กลับคืนมาอย่างการออกบวชนี้ก็ไม่ได้เสียเสียอย่างเดียวเสียสมบัติเสียพี่เสียญาติเสียพี่น้องไปแต่เราได้ความสงบเราได้ความอิสรภาพเราได้เป็นตัวของเราเองเราได้หลุดพ้นจากการเหวียนไหวตายเกิด มันมีได้ทั้งนั้นนะไม่มีการเสียอย่างเดียวเวลาได้ก็ไม่ได้ได้อย่างเดียวก็มีเสียด้วยเวลาได้คู่รักมาก็เสียอิสระภาพไปไม่ได้เป็นตัวเองร้อยเปอร์เซ็นจะทำอะไรจะไปไหนมาไหนต้องขออนุญาตก่อนเมื่อก่อนนี้เป็นอิสระอยากจะไปไหนทำอะไรเมื่อไหร่ก็ทาได้อยากจะคบกับใครคุยกับใครเมื่อไหร่ก็ทาได้แต่พอมีคู่รักแล้วทาไม่ได้ ทำถ้าเขาไม่ชอบก็มีปัญหาขึ้นมาก็เรื่องขึ้นมาต่อไปนี่เราต้องใช้ปัญญาถ้าเรามีปัญญาแล้วเราก็จะเห็นโทษของความอยากของเราเห็นโทษของสิ่งต่างๆที่เราอยากได้ก็จะทำให้เราไม่อยากได้อะไรอยู่คนเดียวสบายกว่าหาความสุขในตัวเราดีกว่าความสุขที่เกิดจากการปลงนี่แหละ การความสุขที่เกิดจากการตัดตันหาความอยากทั้งหลายให้หมดไปจากใจแล้วเราไม่ต้องไปไปง้อใครไม่ต้องไปเก่งใจใครไม่ต้องกังวลกับใครใครเขาจะพอใจหรือไม่พอใจก็เรื่องของเขาเพราะเราไม่ได้หวังอะไรจากเขาเรามีของเราดีกว่าอยู่ในตัวของเรานี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบ แล้วนำมาสอนพวกเราคือใจที่หลุดพ้นจากความทุกข์ใจที่ได้พบกับนิโรธนิโรดก็คือความดับทุกข์ที่มีอยู่ในใจนิโรดต้องทำให้แจ้งแล้วก็มักต้องเจริญให้มากมักก็คือสติปัญญานี้เราต้องคิดต้องมองในแง่ดีให้มากต้องปรงให้ได้ต้องมองว่าการสูญเสียนี้เป็นการกําไร ไม่ใช่เป็นการขาดทุนการไม่ได้อะไรนี้เป็นความสุขมากกว่าเป็นความทุกข์อย่างวันนี้ญาติโยมไม่ได้อะไรมีแต่เสียวันนี้เสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินทองเสียทั้งข้าวของแต่ได้อะไรได้ความสบายใจได้ความสุขไม่ต้องมาห่วงกับเงินก้อนนี้เงินก้อนนี้ยกให้คนอื่นเป็นภาระไปให้เขาไปกังวลให้เขาไปดูแล แต่เราไม่ต้องกังวลกับเงินก้อนนี้นี่คือการการให้ที่ทำให้เราเกิดความสุขขึ้นมาการตัดความอยากนี้เองแทนที่จะเอาเงินก้อนนี้ไปเที่ยวไปหาความสุขที่เป็นเหมือนกับควันไฟสุขเดียวเดียวสนุกเดียวเดียวพอกลับบ้านก็เศร้าส้อยหงอยเหงาเหมือนเดิม วันนี้เรากลับบ้านรับรองได้ว่าจะไม่เศร้าสร้อยน้อยเหงาจะมีความสุขเพราะเรามีนิโรธไปกับเราเราได้ตัดความอยากลงไปอย่างน้อยก็จำนวนหนึ่งทำให้ความทุกข์ในใจของเรานั้นเบาบางลงไปนี่คือกิจในพระอริยรรสัจสี่ที่เราต้องทำไม่ใช่เพียงแต่รู้ทุกสมุทัยนิโรธมรรคเท่า น, นั้นรู้ได้ต้องปฏิบัติได้ อย่างที่พระพุทธองทร ง, งตรัสว่าทุกที่ต้องกำหนดรู้ตถาคตได้กำหนดรู้แล้วสมุทัยที่ต้องละตะถาคตได้ละแล้วนิโรธที่ต้องทำให้แจ้งตถาคตได้ทาให้แจ้งแล้วมรรคที่ต้องเจริญให้สมบูรณ์ตถาคตก็ได้เจริญให้สมบูรณ์แล้วนี่คือกิจของพวกเราของพุทธศาสนิกชนที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรา บำเพ็ญปฏิบัติกันก็คือกิจในพระอริยสัจสีนี้เองดังนั้นขอให้เราพิจารณาความทุกข์อยู่เรื่อยๆเช่นความเกิดแก่เจ็บตายแล้วยอมรับความจริงว่ามันเป็นธรรมดาเกิดมาแล้วต้องตายแล้วก็พิจารณาถึงความอยากทั้งสส่วนว่าเป็นเหมือนกับเชื้อโรคที่เราต้องกำจัดอย่าไปอยากได้อย่าไปยากมีอย่าไปอยากเป็น อยู่แบบคนธรรมดาก็มีความสุขได้ไม่ต้องมีเป็นใหญ่เป็นโตไม่ต้องมียศถาบรรดาศักดินะ์แล้วก็ให้เจริญมรรคให้มากมรรคก็คือทานศีลภาวนานี่เองวันนี้โยมก็มาทำทานมารักษาศีลมาภาวนาด้วยการฟังเทศฟังธรรมเวลาฟังธรรมแล้วใจก็จะสงบใจจะเกิดปัญญาขึ้นมา เมื่อมีความสงบมีปัญญาก็จะสามารถตัดความอยากต่างๆได้ก็จะทำให้นิโรดปรากฏขึ้นมาในใจคือความสบายอกสบายใจนี่คือเรื่องเรื่องของพระพุทธเจ้าเรื่องของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงตัดสรุแล้วนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเรา ขอให้พวกเราอย่าเป็นเหมือนกับไก่ที่ได้พลอยได้พลอยแต่ไม่เห็นคุณค่าของพลอยชอบตัวหนอนตัวไส้เดือนพวกเราได้พลอยได้เพชรก็คือพระรัตนตรยนี้มาแล้วขอให้เราเอามาทำให้เกิดประโยชน์กับจิตใจของเราอย่าไปยินดีกับพวกตัวหนอนไส้เดือนก็คือลาบยศสารเสริญสุขต่างๆสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนไส้เดือน ให้ความสุขกับเราบ้างแต่ไม่สามารถดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจของเราได้แต่พลอยคือพระรัตนตรัยนี่แหลที่จะทำให้ใจของเรานั้นไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่เลยจะมีความสุขไปตลอดเพราะจะไม่ต้องไปเกิดแก่เจ็บตายต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา